ข อ, องช่วยเปิดสปอตไลทนะ์แสงอย่างนี้เดี๋ยวหลับหมดห้องยิ่งโยมต้องตื่นมาแต่เช้าเช้านะน่าเห็นใจธรรมดาต้องตื่นสายหน่อยแต่คนกรุงเทพบางคนเ็าตื่นแต่มืด น, นะตะรลีตาลานไปทำงานคือที่นี่นะจะฝึกแต่เดิมจะฝึกมาแบบไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ รูปแบบนะไม่ใช่เรื่องสำคัญรูปแบบเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองเหมือนสินค้ากล่องจะเป็นแบบไหนนะไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่สำคัญที่เนื้อหาข้างในถ้าฝึกมาแล้วเกิดสติที่แท้จริงเกิดสัมมาสมาธิอะไรเนี่ยมีปัญญารู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอ่นะเคยฝึก ดูเวทนาอย่างท่านโกเอกล้ามาก็ไม่เป็นไรดูพองยุบมาก็ได้นะฝึกฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนฝึกอย่างวัดป่าอะไรได้เท่านั้นหระะือจะหัดรู้อิริยาบทสีาสายอภิธรรมก็ใช้ได้สงสัมีผู้วางดีไปปิดไฟแล้วจิ๊บจะเปิดหน่อยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวโยมหลับไม่ใช่เลยหน้าต่างง่วงเปิดให้ดูไฟไว้พวกชอบแสงสี มาอยู่ที่มืดๆนะย่าแย่หลวงพ่อก็เป็นนะแต่ก่อนเนี้ยเราคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพไปภาวนาในวัดป่าครั้งแรกๆนะโอ้ยมันมืดเลยอย่างงั้นมืดจนแบบเดินชนต้นไม้เลยมองไม่เห็นนะแล้วก็ภาวนานี่สับสนไปหมดเลยเพราะมันมืดแล้วมันก็เงียบจนกระทั่งหนกหูในป่าคนอย่านึกว่าเงียบสงัดนะในป่านี้เสียงดังมากลหลายเดซิเบลมากเลย แล้วก็ถ้าอยู่จนคุ้นก็จะเงียบเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรลืมไปหมดแล้ว <c oughs> นี่ครูบปัปปองนะครูบไอ้ครูบาอบาอไปอ่านเจอพระไตรปิฎกอันหนึง่งพระสูตรพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าคนผู้ปฏิบัติเนี่ยนะเหมือนคนทำนาชาวนาเนี่ยเขาต้องคอยไถายนาใช่ไม มีงานหลักคืองานไถนางานหวานข้าวข้าวงอกก็ต้องมีเรื่องไข้น้ำข้าวไขน้ำออกตอนนี้น้ำน้อยไปเอาน้ำเข้ามาตอนนี้น้ำมากไปเอาน้ำออกไปเลยรนีกงานหลักก็มีเท่านี้แหละเสร็จแล้วพอถึงเวลาในข้าวก็ออกรวงเองข้าวออกรวงเองชาวนาไม่สามารถทำให้ข้าวออกรวงได้ข้าวออกรวงเองชาวนาแค่ไปไถนา ไปหวานข้าวไปเอาน้ำให้ต้นข้าวพอเหมาะพอควรเ้าบอกงานของชาวนามีสามอย่างนี้ถ้าชาวนารุ่นนี้ต้องมีใส่ปุ๋ยใช่ไหมใส่ยาใส่อะไรเข้าไปอีกมันห่างธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นนี่ชาวนาเขามีงานสามอย่างเขาทำงานของเขาแล้วเนี่ยถึงเวลาก็ข้าวออกรวงผู้ปฏิบัติก็มีงานสามอย่างคือมีอาธิศีลศิขาเรียนเรื่องศีล อธิจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตอธิปัญญาสิกขาเรียนเรื่องปัญญาปัญญาอันยิ่งศีลนั้นยิ่งสมาธิอันยิ่งอันยิ่งอันยิ่งคืออะไรอันยิ่งขึ้นยิ่งก็คือสัมมานี่นึ่งตัวสัมมาสะติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าเป็นศีลธรรมดาสมาธิธรรมดาปัญญาธรรมดานี่นนนะมะมนไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจนะไม่ลดละกิเลสได้ก็ไม่เรียกว่าอันยิ่งหรอก นี่พวกเราก็มีหน้าที่ศึกษานะศึกษารักษาศีลไว้ตั้งใจงดเว้นบาปอกุศลทั้งหลายศึกษาเรื่องจิตของเราเองทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตไม่ใช่แค่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหรือเป็นผู้เพ่งผู้ปฏิบัติทําส่วนใหญ่นะจิตเป็นผู้เพ่งใช้ไม่ได้ คนที่ไม่ปฏิบัติส่วนมากก็จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็ใช้ไม่ได้เราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่จะใช้ได้แล้วก็ศึกษาเรื่องวิธีเจริญปัญญาปัญญาศึกษาทำยังไงเราจะรู้กายตรงตามความเป็นจริงทำยังไงจะรู้จิตใจตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าเจริญปัญญา หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีอย่างนี้แหละงดเว้นบาปอา k u s o ทั้งหลายนะทางกายทางวาจาด้วยศีลฝึกอบรมจิตใจของเราให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ให้มารู้กายอย่างที่เขาเป็นมารู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นเรียกว่าเจริญปัญญาก็จะเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหน้าที่ของเรามีแค่นี้เองถัดจากนั้นเนี่ยจิต เขาจะบรรลุมรผลของเขาเองเหมือนข้าวที่จะต้องออกรวงเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรผลนิพพานได้เหมือนไม่มีใครทำต้นข้าวให้ออกรวงได้ต้นข้าวมันทำของมันเองจิตนี้มันก็บรรลุของมันเองเมื่อเราสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำานวยสามอย่างนั้นนะคืออธิษษศีลสิกข า, ษษกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาสีนสมาธิปัญญาหรือศีลจิตปัญญา ถึงเวลาแล้วเขาก็จะผลิดอกออกผลเองนะถึงวันที่เขาจะออกดอกออกผลบรรลุธรรมขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ร่วงหน้าหรอกคนะาดหวังไม่ได้หรอกเราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทําเหตุไปเรื่อยๆนะรักษาศีลไว้ให้ดีอย่าให้ดังพร้อยคนที่ศีลดังพร้อยเนี่ยจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบ ดังนั้นมีศีลไว้ก็จะทำให้จิตใจสุขจิตใจสงบง่ายมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจได้ง่ายนะการเรียนจิตต่อสิกขาไม่ใช่แค่ทำจิตให้สงบมันคือการเรียนเรื่องจิตนี้จิตเราจะเรียนเรื่องจิตได้ดีจิตต้องสงบซะหน่อยรักษาศีลไว้จิตใจก็สงบจิตใจสงบเราก็คอยมาเรียนรู้จิตจิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้เป็นกุศลจิตชนิดนี้เป็นกุศลทั่วๆวไปนะ จิตชนิดนี้เป็นกุศลชนิดที่ใช้เจริญปัญญาไม่เหมือนกันจิตแต่ละดวงแต่ละดวงทำหน้าที่ต่างๆกันจิตที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยต้องเป็นมหากุศลจิตนะยานสัมปยุตอสังคาริกังนี่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมนะยาวหน่อยถ้าจิตจะใช้เจริญสมถะเนี่ยก็เป็นมหากุศลจิตยานสัมปยุตมีปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งสังคาริกังต้องน้อมให้เกิด ดน้นสมาธิการจะเข้าฌานต่างๆนี่ต้องน้อมจิตไปถึงจะเข้าดังนั้นเป็นไหมมีการน้อมไปไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่นะน้อมไปเข้าฌานจิตมันไม่เหมือนกันนี่เราถ้าเรียนเรื่องจิตจนแจ่มแจ้งนนเนยเอาจิตที่ควรทำสมถะไปทำสมถะเอาจิตที่ควรเจริญมิปัสสนาไปเจริญมิปัสสนามันก็นจะได้ผลจิตที่ใช้เจริญมิปัสสนานั้นก็ จิตซึ่งมันรู้ตัวขึ้นมามันตื่นขึ้นมารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นรู้โดยไม่เจตนาจะรู้รู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงทุกอย่างเป็นไปเองหมดเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนั้นแหละถึงจุดที่เขาพอเขาก็ตัดสินของเขาเองไม่ยากนะจริงๆง่ายที่สุดเลยอาคนที่อยู่วัดส่งกันบ้าน เวลาส่วนใหญ่อะค่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่จิตมันเข้าไปฟุ้งซ่านมันจะไปฟุ้งในเรื่องเก่าๆเหมือนเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะยังจําได้อยู่เป็นเรื่องที่ผ่านมานานๆนะแต่ว่าใจมันเป็นกลางได้มากขึ้นเจ้าค่ะดีแล้วรู้ไปงั้นแหละนะรู้สภาวะทั้งหลายนะรู้ไปอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันไปนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วสภาวะทั้งหลายนะั้นเสมอกันมันไม่เสมอกันขึ้นม า, นมากเพราะใจเราไม่เป็นกลาง เห็นสภาวะนี้ชอบเห็นสภาวะนี้เกลียดพรชอบก็พยายามไปดึงเอาไว้นี่ด้วยอำนาจของราคะพอเกลียดก็พยายามผลักออกไปด้วยอำนาจของโทสะพอมีโมหะก็ไม่รู้สภาวะหลงหลงลืมลืมไปใช้ไม่ได้ดีลวฝึกไปงั้นอไปข้างหลังหน่อยปฏิเวทมาแล้วไม่เคยส่งกันบ้านเลยก็เห็นว่าสติเวลา มาใช้ตอนเหตุการณ์สําคัญตอนที่แม่เสียครับไปรับศพแม่ก็มองเห็นมองเห็นเนี่ยเป็นแค่แค่ภาพอืครับก็แต่เราก็พูดปลอบใจพี่น้องเขาว่าเหมือนแม่หลับอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราพูดว่าเหมือนแม่หลับเนี่ยความรู้สึกในใจเรายังรู้สึกว่าคําว่าแม่ก็เป็นสมมุติอยู่อื อน้ำหนักในใจเราเราไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรครับก็ไม่ทุกข์หรอกนะครับเราฝึกกรรมฐานไปนะฝึกแล้วเพื่อว่าวันหนึ่งเราพ้นทุกข์ขนาดพ่อแม่ตายยังไม่ทุกข์เลยแต่ถ้าเมียทิ้งอาจจะทุกข์นะ <c oughs> ฝึกไปอย่างนั้นแหละดีแล้วถ้าคนไม่มีสติไม่เคยฝึกฝนในเวลาเจอปัญหาชีวิต้ัาทนไม่ไหวดีแล้วส่งมาข้างหน้า ปฏิเวทจิตมันมีโมหะนะมันตื่นไม่เต็มที่ดูออกไหมมีโมหะจะ แ, แก้ตัวนี้นะก็ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเยอะๆเลยทากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไหมปฏิเวททำกรรมฐานนิ่งๆเยอะไปกระดุกระดิ ก, ก, ดกไว้ครับก็เมื่อกี้สงบก่อนแลกตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้อ แล้วไงอีกอย่ไปกดมันสิปล่อยมันไปกดเหมันไว้ละ้ะคนนี้คนนี้นะ่าไม่เคยเรียนธรรมะเท่าไหร่นะอยู่ๆหารกล้ามาอยู่วัด <c oughs> แต่อยู่มาจนได้ห้าวันเก่งนะไม่กลุ้มใจหนีกลับบ้านไปก่อนอยากกลับบ้านไหมแต่ <c oughs> ว่ายังทนอยู่เพราะว่าเพื่อนบังคับหรือว่าไปไม่ได้ก็ ไ, <c oughs> ไม่ได้บังคับกลับไม่ได้อ๋อ ก็เก็บกระเป๋าแล้ววันอังคารว่าจะกลับค่ะทำอย่างนั้นนะจะอ่อนแอค่ะต้องฝึกตัวเองนะฝึกตัวเอง <c oughs> ชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องเผชิญความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราอ่อนแอเนี่ยเราจะอยู่ในโลกอย่างล้มลุกลุกลานอยู่อย่างคนแพ้ตลอดนะ <c oughs> ต้องฝึกตัวเองให้เข้มแข็งไว มาวัดนะถึงเรายังหัดเจริญสติไม่เป็นเราไม่ได้หัดไว้ก่อนปกติหลวงพ่อเมื่อก่อนถึงมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นก่อนถ้าไม่เป็นก่อนมาอยู่ล้มจะกลุ้มใจมัีจะเครียดนี่เราต้องฝึกตัวเองนะอดทนไว้อย่างน้อยห้าวันเนี้ยเราได้ลิ้มรสชาติแล้วของการที่ไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองเพราะปกติชอบตามใจตัวเองนะฝึกตัวเองไป คนที่ทําตามใจตัวเองตลอดเวลาเนี่ยจะต้องแพ้เพราะว่าสิ่งที่ยั่วยุวเราเนี่ยนะล้วนแต่หลอกลวงเราคนทุกวันนี้กลายเป็นเหยื่อไปแล้วโดยเฉพาะเด็กๆนะกลายเป็นเหยือ่อแท้ๆเลยเหยื่อของพ่อค้าเขาโฆษณาอะไรต่ออะไรนะวิธีการของเขาแนบเนียนนะเขาไม่มาโฆษณาซื้อบื้ออย่างสมัยโบราณแล้วมาประกาศยาสตรีน้องอะไรจีนแล้วสวยอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่จําเป็นเลย เขาแพร่เข้าไปในหมู่เด็กด้วยกันเลยนะไปพูดกันเองอนะไรนี้น่าเชื่อถือหรือต้องนุ่งเงินเก่งก้นขาดเหมือนเหมือนกันแล้วเท่เป็นพวกเดียวกันอนะไรนี้วิธีการนี้มากมายเลยเราจะอยู่ในโลกต้องฉลาดนะโดยเฉพาะโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่น่ากลัวที่สุดเลยมาถึงวันนี้นะเป็นโลกที่งสถาบันต่างๆในสังคมนี้ล่มสลายแล้วสถาบันศาสนานะรวน อ่อนแอไปหมดแล้วคนไม่สนใจศึกษาธรรมะกันเท่าไหร่ละเข้าวัดก็แค่ไปงานศพอะไรเงี้ยส่วนใหญ่วันเกิดก็ใส่บาตรซะหน่อยหน้าบ้านเดินไปตลาดใส่ซะหน่อยอะไรางน้ศาสนาแท้ๆอยู่ที่ไหนคนไม่ได้สนใจสถาบันการศึกษาล้มไปแล้วเด็กไม่ได้อยากเรียนในโรงเรียนหรอกเวลาเรียนล้วก็เรียนเล่นๆ เ, เป็นแค่นั้นเสร็จล้วก็ต้องไปเรียนกวดวิชาเห็นไหม สถาบัานการศึกษาจริงๆล่มไปแล้วนะเด็กไม่ได้อยากเรียนจากสถาบัานสถาบัานครอบครัวล่มแล้วนะระวังนะล่มลงไปแล้วนะยังไม่รู้ตัวกันอีกเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมในครอบครัวแล้วแต่ก่อนปู่ย่าตายายสอนใช่ไหมพ่อแม่ไปทํามาหากินเดี๋ยวนี้ปู่ย่าตายายก็เอาไว้ในบ้านไม่ได้เป็นส่วนเกินพ่อแม่ก็ไม่อยู่บ้าน ลูกก็เรียนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเอาเองไร้ทิศทางนะเรียนจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรเนี้ยครอบครัวจริงๆกายเป็นแหล่งหาเงินป้อนให้เด็กไม่ทําตามใจครอบครัวล่มไปแล้วนะระวังนะคนไหนไม่มีลูกก็บุญไปแหละนี่ท่าทางดีใจเง <c oughs> ั้นเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของเราล่ะ <c oughs> สังคมนี้รวนไปหมดแล้วนะ แต่ละคนก็แก่งแย่งทำร้ายกันตลอดเวลาเราต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งแบบวัวแบบควายพึ่งโง่ๆพึ่งแต่ใช้แรงต้องฉลาดในการดำรงชีวิตตัวเองให้มากเลยอะไรจะดำรงชีวิต ย, ยังไงที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อต้องศึกษานะต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะในงั้นก็จะเป็นเหยื่ออีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองอ้าว ขอถามอีกนิดหนึงออ่งค่ะหลวงพ่อหนูแบบคิดไปถึงชีวิตที่จะออกไปข้างนอกแล้วยังแบบยังไม่รู้สึกว่าเหมือนจะรักษาคือเหมือนกับใจมันยังไม่ได้มีชันทามากค่ะหลวงพ่อคือคือเราต้องคบคนซึ่งสนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้ด้วยกันน ะ, ะเลือกคบคนก่อน ถ้าเราครบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นจำไว้นะพรูเจ้าสอนอย่างั้นงั้นเพื่อนที่จะชวนเราเหลียวแหลกอะไรเงี้ยเราอย่าไปคบมันเลือกคบนี่แหละพวกที่มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่ไม่ได้ให้เป็นแฟนกันนะคบกันเฉยๆเป็นเพื่อนกันภาวนาไป ร, ร, รู้จักคบคนรู้จักดำานงชีวิตอย่างมีเหตุผลนะเราจะไม่ได้ต้องลำบากมาก แล้วก็ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวเองไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆหัดทีแรกยังไม่เห็นประโยชน์ก็อาศัยศรัทธาต้องเชื่อหลวงพ่อดูสักพักหนึ่งอาศัยศรัทธาหลงเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนใครหัดรู้กายหัดรู้ใจไปในเวลาไม่นานเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเราจะพบว่าชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นชีวิตของเราเพึ่งเพื่อนน้อยงลง ความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคนอื่นจะทําความวุ่นวายให้เรามากกว่านําความสุขมาให้เราจะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นนะรู้ทันจิตใจตัวเองไม่ถูกหลอกเพราะงั้นเบื้องต้นอาศัยศรัทธาไว้อาศัยกาลยา น, นมิตรไว้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อำอำนวยวันเสาร์อะไรเงี้ยก็ไปที่ห้องสมุดบ้านอารีกับเขามีเด็กๆ เ, เยอะก็ไปเรียนธรรมะบ้าง ต้องสู้นะก่อนที่จะเป็นเหยื่อรู้สึกว่าใจมีกำลังขึ้นเราตั้งมันดีนะฝึกไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นเยอะมากค่ะเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังบ้าง<อ>มันจะได้ไม่เหี่ยวอ๋อก็เล่าให้เขาฟังเรื่อยๆออคือพยายามป้อนเขาอยู่ห้าวันก็ป้อนเขาทั้งห้าวันก็เก่งนะเอาเขาไว้ได้อ๋อค่ะ ไปส่งไปข้างหลังชมพูส่งกันบ้านช่วงนี้หมดแรงเจ้า่ะนั่งน้เนี้เดี๋ยวก็มีแรงหมดแรงแล้วอย่าไปปฏิเสธมันอยู่ที่เป็นกลางใจิตใจหมดแรงแล้วก็พุโทโธของเราไปเรื่อยๆนะคือจริงๆแล้วเราต้องทำสมถะบ้างผู้ปฏิบัติ ถ, ถ้าทิ้งสมถะกรรมฐานไปเลยเนะี่ยบางทีไม่มีแรงหมดกําลังไปบกกรอัศ มาสการครับช่วงนี้ฟุ้งซ่านครับครับผมมันต้องฟุ้งนะงานเราต้องยุ่งกับคนครับฟุ้งก็ดูไปด้วยความเป็นกลางนะครับเป็นกลางไหมไม่ค่อยเป็นกลางนี่แหละให้รู้ทันแต่นั้นนะครับอเบอร์สามสิบเนี่ข้างหน้านี้นมาแบบไหนเคยฝึกแบบอานาปนสติครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ฝึกจริงจังเพราะว่ายังไม่สนใจ ไปกับโรงเรียนของโลูกฮะปรับนิดนึงนะส่วนมากทําอานาปนาสติทําแล้วมันคลาดเคลื่อนไปเราคิดว่าอานาปนาสติหมายถึงว่าให้มีสติไปอยู่กับลมหายใจอย่าไปมองแค่นั้นอานาปนาสติเนะี่ยหมายถึงว่าให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นตัวสําคัญอยู่ที่สตินะไม่ใช่อยู่ที่ลมนอย่าไปจ้องใส่ลมของคุณมันจ้องแรงไป ให้รู้ลมหายใจรู้เล่นเล่นไปแล้วก็คอยฝึกสติเช่นะ เ, รเราหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปนะอันนี้ใช้ได้กับทุกสำนักนะใครฝึกพองยุบก็ใช้ได้นะดูพองยุบก็ดูไปดูท้องพองท้องยุบไปฝึกให้มันมีสตินะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปใจของเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าต้องดูอย่างนี้อย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมนิ่งๆดูท้องพองยุบก็เห็น ท้องมันพองเห็นท้องมันยุบเห็นร่างกายมันกระเพื่อมพูดง่ายๆเห็นร่างกายมันกระเพื่อมอย่าให้จิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องนันนี้เรียกเป็นการหัดรู้รูปโดยการที่แยกนามออกมาการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาทำไมก็คือการวิธีการเรียนที่จะสลายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปตัวเราเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มก้อนของธาตุของขันมารวมตัวกันนั้นเราต้องเริ่มหัดแยกธาตุแยกขัน เบื้องต้นก็แยกกายกับจิตออกจากกันก่อนเช่นะรเราดูลมหายใจเนี่ยเราก็เห็นเลยร่างกายก็หายใจไปจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากร่างกายพองไปยุบไปนะร่างกายกระเพื่อมไปร่างกายยกเท้ายัาย่งเท้าไปอะไรเงี้ยจิตมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากค่อยๆฝึกแยกกายกับจิตออกจากกันก่อนพอแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วเนี่ยมันจะถึงเจริญปัญญาขั้นต่อไปได้ถึงจะเห็นได้ว่ากายนี้เป็นแค่ข้อท่าเป็นแค่วัตถุ เป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราก็เห็นว่าจิตนะั้นมันทํางานได้เองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเนี่ยฝึกไปจนเห็นทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่เราก็ได้เป็นพระโสดาบันนะงั้นภาวนาอย่าไปทําแบบไม่รู้ทิศทางเราศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านให้หายใจก็หายใจไปเรื่อยๆไม่รู้หายใจไปเพื่ออะไรหวังว่าวันหนึ่งจะสงบสงบแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาขึ้นเองสงบแล้วไม่เกิดปัญญาขึ้นเอง เมื่อหลายปีก่อนร่วมสิปีได้แล้วหลวงพ่อ เ, เคยได้ยินอาจารย์มหาบัวพูดมีคนไปถามท่านบอกว่าถ้าผมทําสมาธิไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาไหมท่านบอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันสมาธิทําไปเพื่อให้จิตสงบวิธีทําสมาธิก็คือมีสติไปจออยู่ที่ลมหายใจอันเดียวอย่างนี้นึกจอดอยู่กับพุทโธหรือไปจออยู่ที่ท้องฟองยุบเวลาเดินจงกรมเอาสติไปจออยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยอย่างนี้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 ถ, ถ้ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งากายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูไปเรื่อยๆหรือจิตเคลื่อนไหวนะก็มีจิตอีกดวงหนึ่งตามรู้ไปว่าจิตตะกี้เคลื่อนไหวไปแล้วถ้าอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าทั้งกายและจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันคือผู้ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราพระโสดาบันไม่เห็นว่าขันห้าเป็นเรามไม่เห็นมีตัวเราในขันห้าไม่เห็นมีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าตัวเราไม่มี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 หลวงพ่อนี่แหละฝึกอาณาปณะสติตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกกับท่านพ่อรีนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเลยท่านพ่อรีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆเลยฝึกกับท่านพ่อรีท่านสอนตอนนั้นเราเด็กเจ็ดขวบท่านกยังไม่ได้สอนมีปรั ส, สนาให้ท่านสอนสมถะสอนหายใจอยู่มาได้สี่ปีนานๆจะได้ไปหาท่านทีหนึ่งสี่ปีก็ได้เรียนแต่สมถะท่านก็สิ้นไป หลังจากนั้นไม่มีครูบาจจารย์หลวงพ่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะจนอายุ29กมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองถึงพอหัดมาดูจิตนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันหมดเลยขันห้ากระจายตัวออกไปขันแต่ละขันเลยไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาอย่างนี้มันเดินปัญญาต่อไปได้เงินฝึกมาแนวไหนก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ไม่ใช่แยกรูปกับรูปนะ บางคนไปแยกรูปกับรูปเช่นไปเห็นว่ารูปพองก็อนนึงรูปยุบก็อันนึงแล้วบอกว่าเป็นนามรูปปริจเจทยานไม่ใช่ละมันไม่ใช่นามกับรูปที่แยกจากกันเป็นรูปกับรูปรูปอันนึงกับรูปอันนึงไม่ใช่อันเดียวกันนี่ต้องมีแยกรูปแยกนามอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไปคิดให้รู้ทันว่าใจไปคิดเนี่ยไปกดจิตให้นิ่งนอยู่รู้สึกไหมเลิกซะเอ๊ที่ฝึกแล้วก็นิ่งๆตลอดเวลาเลิกซะนะ ยังยังติดเพ่งอยู่ใช่ไหมครับหลวงพ่อต่นอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นไปฝึกมาอย่างนั้นก็ดีแล้วนะเบื้องต้นจะฝึกกรรมาฐานอะไรมาก่อนไม่มีปัญหาหรอกหลวงพ่อไม่ว่าหรอกแต่ว่าพอมาเรียนที่หลวงพ่อแนละ้วต้องต่อยอดให้ได้ต่อยอดไปแต่อยอดให้มันเกิดสติที่แท้จริงสติเป็นตัวระลึกสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะถ้าไตรปิดกไม่เคยแปลสติว่ากําหนด เราชอบไปแปลเอาตามใจชอบกำหนดลมหายใจกำหนดท้องฟองยุบกำหนดเท้าอะไรเนะียพูดเราเองท่านบอกให้รู้ทั้งหากหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้นะรู้ว่าอะไรรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่รูปมันหายใจนะยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้ท่านไม่ได้บอกว่าการเดินมีกี่จังหวะท่านไม่เคยสอนนะ นั่งต้องมีกระบวน่าต้องนั่งท่านี้นั่งท่าอื่นไม่ได huh? ้ท่านไม่เคยสอนท่านแค่มานั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดแตลว่าอะไรก็รู้ว่ารูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งรูปมันนั่งอยู่รูปมันอยู่ในอิริยาบถที่สมมติเรียกว่านั่งรูปมันอยู่ในอิริยาบถที่สมมติเรียกว่ายืนอย่างเงี้ยจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเรา ดน้นเราตั้งเป้าของการภาวนาต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะเป้าหมายแรกเพื่อละสักยัติทิฏฐิเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องดูลงไปตรงไหนที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็กายกับใจนี้เรารู้สึกว่านี่กายคือตัวเราใจคือตัวเรารู้ลงมาที่กายที่ใจนี่รู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงกายก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรากายเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่เป็นแค่วัตถุธาตุ ท, าที่เคลื่อนไหวไปมา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 เราต้องรู้ลงที่กายที่ใจบางคนไปเดินจงกลมไปเหยียบพื้นแล้วก็รู้ว่าพื้นอ่อนพื้นแข็งหรือพื้นเย็นพื้นร้อนเดินไปไปรู้อยู่ที่พื้นถามจริงๆมีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราไม่มีเลยเห็นไหมแสดงว่าภาวนาไม่เข้าเป้าภาวนาออกนอกเป้าไปแล้วไปดูว่าพื้นร้อนพื้นแข็งพื้นอ่อนพื้นเย็นหาสาระไม่ได้ดังนั้นต้องรู้ลงมาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราคือกายกับใจนี่เอง รูลงไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานนะมันเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจออกหายใจเข้าอะไรนี้เคลื่อนไหวตลอดกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยเป็นอยู่ตลอดนะหรือนั่งอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใ น, ะนร่างกายเป็นแค่เหมือนผุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเรานะด้วยอย่างนี้ ดูอย่างนี้ถึงจะมีปัญญาเรางั้นคุณเริ่มมาจากลมหายใจก็ใช้ได้คุณก็ดูไอ้ตัวนี้หายใจไม่ใช่ตัวเราไปนะฝึกอย่างนี้นะไม่งั้นไปไม่รอดหรอกหลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับสมถะยี่สิบสองปีทําสมถะชำนี้ชํานานนะได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้หรอกของจริงมันได้จากการเจริญวิปัสนาหลวงพ่อสอนคุณยาวหน่อยเพราะว่าจะเมารวมๆนะสอนแล้วจริงๆคําพูดนี้ใช้ได้กับทุกสํานักนะยกเว้นสํานักซึ่ง ดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กายกับใจเช่เนไปเพ่งไฟเพ่งอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับกายกับใจอันนั้นนอกนอกจากกรอบของสติปัฏฐานไปแล้วสํานักไหนฝึกมาให้รู้กายให้รู้ใจนะลองปรับวิธีรู้ให้ถูกต้องซะรู้เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่รู้เพื่อไปเพ่งให้นิ่งๆนะปรับวิธีรู้ต่อไปก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงเราปล่อยวางไดนะ้8โมงพอดีเชิญไปทานข้าวครับนิมนต์ครับ